บทที่ 6. ชีวิตหลังจากตายการค้นคว้าเรื่องหลังจากตายนี้เมื่อมีเหตุผลและหลักฐานว่ากายที่สองซึ่งไม่ต้องอาศัยกายเนื้อนี้มีอยู่จริงก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกข้อหนึ่งเป็นปัญหาซึ่งมนุษย์ได้พยายามคิดค้นกันมานานนักหนาแล้วคือปัญหาที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังจากตายแล้วจริงๆหรือกล่าวอีกในย่หนึ่งก็คือ โลกและชีวิตหลังจากตายไปแล้วนั้นมีได้จริงหรือทางศาสนาก็สอนให้เราน้อมใจเชื่ออย่างเดียวซึ่งการสอนเช่นนี้ย่อมไม่เป็นการเพียงพอสําหรับผู้ที่ต้องการเหตุผลและหลักฐานให้แน่นอนเพื่อที่จะได้ปลงใจเชื่อได้ด้วยความเต็มใจจริงๆสําหรับข้าพเจ้าก็กระทําได้เพียงทําหน้าที่เป็นเสมือนผู้สื่อข่าวโดยพยายามใช้หลักความจริงที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด และโดยไม่พยายามนำความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปแทรกแซงด้วยเลยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจากเหตุการณ์บางเรื่องซึ่งข้าพเจ้าจะขอรายงานให้ทราบแบบผู้สื่อข่าวจริงๆตัวอย่างที่หนึ่งดรลิชาร์ดกอรดอนข้าพเจ้าได้พบดรลิชาร์ดกอรดอนครั้งแรกที่นครนิวยอร์กในคริสตศักราช1942 เขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคภายในเราได้เป็นเพื่อนกันและต่อมาเขาก็เป็นแพทย์ประจำครอบครัวของข้าพเจ้าดรริชา ร, ร์ดกอรดอนเป็นผู้ที่กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นอย่างดีเขามีความชำนาญมาหลายปีและเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันในแง่เยาะเย้ยหรือเสียสีสังคมอยู่เป็นประจำทั้งนี้อาจเป็นเพราะเขาเป็นคนมีปัญญาลึกซึง้งและชอบมองโลกในแง่ของความจริง ยังไม่ชอบเกลือบแฝงเป็นนิสัยนั่นเองครั้งแรกที่เรารู้จักกันนั้นเขามีอายุในเกณฑ์ห้าสิปีแล้วดังนั้นจึงมีความจริงว่าข้าพเจ้าไม่ได้เคยรู้จักเขาในตอนที่ยังเป็นหนุ่มกว่านั้นเลยเขาเป็นคนร่างเตี้ยบางมีผมสีขาวเส้นเยียดตรงและมีท่าทางว่าจะเป็นคนศีกษาล้านยิ่งขึ้นทุกทีด อ, อร์กอดอนมีลักษณะพิเศษประจาตัวอยู่สองอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือประการแรกเขาตั้งใจว่าจะขอมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดดังนั้นจึงเป็นคนที่ระวังสุขภาพอนามัยอย่างกวดขันเช่นคอยระวังจังหวะชีวิตไม่ให้มีการลดพ้นตื่นเต้นหรือรวดเร็วจนเกินไปตามปกติเขาจะเดินอย่างช้าช้าสงบเส ง, เงีเอ่ไม่รีบร้อนนอกจากว่าจะมีเรื่องจําเป็นขนาดคอขาดบาดตายจริงๆเท่านั้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในขณะที่คนอื่นเดินอย่างรีบร้อนเพื่อแข่งกับเวลากันเขาก็จะเดินอย่างทอดน่องตามสบายโดยระวังไม่ให้จิตใจตื่นเต้นเสมอประการที่สองถ้ามีใครมาหาเขาที่สำนักงานเขามักจะมองออกไปและเพ่งดูอย่างเงียบขรึมโดยไม่ร้องทักทายหรือพยักหน้าหรือโบอกมือต้อนรับเลยเขาจะจ้องเพ่งอยู่เช่นนั้นคล้ายๆกับจะพูดว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะมาหาอะไรของมันนะ มิตรภาพระหว่างข้าพเจ้ากับดรกอร์ดอนเป็นไปอย่างสนิทสนมโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเอ่ยปากให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทราบมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายเพราะอันที่จริงเราก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนอกจากว่าบังเอิญเกิดมาร่วมโลกในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้นเองในฤดูใบไม้ผลิ ข, ของปีคริสตศักราช1961 ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมดรกอร์ดอนที่สำนักงานของเขาแล้วเราได้รับประทานอาหารกลางวันด้วยการที่นั่นเองดูเขามีท่าทางเหน็ดเหนื่อยและกังวลชอบกลข้าพเจ้าจึงเอ่ยปากถามถึงสาเหตุของเรื่องนี้เขาตอบด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยว่าหมูนี้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายแต่แลราก็มีท่าทางแจ่มใสเป็นคนเดิมและพูดว่าก็ทำไมจะไม่ให้หมอเจ็บป่วยเป็นอะไรบ้างเลยทีเดียวล่ะข้าพเจ้าหูเราะพร้อมกับแนะนำว่า เขาควรจะหาอะไรอย่างอื่นทําเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซสีบ้างเขาตอบรับอย่างใจลอยว่าดีเหมือนกันและบอกว่าก่อนอื่นเขาคิดว่าจะไปท่องเที่ยวยุโรปสักหน่อยข้าพเจ้าได้กล่าวว่าเป็นการดีทีเดียวเขาบอกว่าก็ามีตั๋วเดินทางวิเรียบร้อยแล้วและเคยไปยุโรปมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้จะพยายามไปดูสิ่งที่ไม่ได้ดูในราวคนก่อนให้ได้และถามข้าพเจ้าว่า เคยไปประเทศกรีกตุรกีสเปนโรตุกเกดและอหยิปไหมข้าพเจ้าตอบว่ายังไม่เคยเลยเขาก็าบอกว่าคุณควรจะไปนะพร้อมกับเลื่อนจานอาหารออกไปห่างตัวยังไงยังไงก็ควรรีบไปเสตตอนที่ยังมีโอกาสอยู่สถานที่เหล่านั้นสมควรที่จะไปดูจริงๆผมเองต้องไปให้ได้ถึงรอช้าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสข้าพเจ้าตอบว่าจะพยายาม ว, ว่าข้าพเจ้าคงไม่มีคนไข้รออยู่ข้างหลังเป็นจํานวนมากเหมือนอย่างเขาเป็นแน่เพราะฉะนั้นจะไปเมื่อไหร่ก็คงจะได้แต่สังเกตดูเขากลืมไปอีกเขาเอ่ยเรียกชื่อข้าพเจ้าและบอกว่าเขาไม่ชอบความรู้สึกของผมในเวลานี้เลยเขาพูดพยายามใช้ถ้อยคําอย่างระมัดระวังและถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากับภรรยาไปเที่ยวโยุโรปกันกับเขาไม่ได้เหรอเมื่อนึกถึงคําชักสวนครั้งนี้ ข้าพเจ้ า, าออก็อดเสียใจไม่ได้คิดว่าถ้าไปด้วยกันกับเขาในคราวนั้นก็คงจะดีกว่านี้ต่อมาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ดก็กอร์กอดอนกับภรรยาก็ออกเดินทางด้วยทางเรือไปประเทศสเปนหลังจากนั้นข่าวคราวของเขาก็เงียบหายไปนานจนกระทั่งข้าพเจ้าคิดว่าป่านนี้ก็คงกําลังนอนพึงแดดกันอย่างสบายใจหน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ได้ อีก6สัปดาห์ต่อมาภรรยาของดรกอดอนได้โทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าบอกว่าดรกอดอนล้มเจ็บลงในขณะที่อยู่ในยุโรปและเธอจำต้องงดโปรแก ร, รมการเดินทางลงโดยด่วนเพราะดรกอดอนไม่ยอมรักษาตัวที่นั่นและยืนยันว่าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนให้ได้โรคของเขาทาให้เขาได้รับความเจ็บปวดมากและเมื่อมาถึงสหรัฐก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดทันที ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีโอกาสได้พบนอกจากคอยฟังอาการจากภรรยาของเขาเท่านั้นจากการผ่าตัดทำให้แพทย์ได้ทราบว่าเขาเป็นมะเร็งในช่องท้องชนิดที่หมดทางรักษาได้เสียแล้วดังนั้นจึงไม่มีทางช่วยได้นอกจากจะให้ใช้เวลาที่เหลือแห่งชีวิตอันเล็กน้อยนี้ด้วยความทรมานให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้ เขาไม่มีโอกาสที่จะออกจากโรงพยาบาลมาอย่างคนมีชีวิตได้อีกแล้วหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือร่างกายของเขาไม่อาจจะออกมาจากโรงพยาบาลอย่างมีชีวิตได้เสียแล้วเมื่อได้ทราบข่าวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าจะต้องหาวิธีพบเขาให้ได้เมื่อนึกย้อนหลังไปข้าพเจ้าก็คิดว่าอันที่จริงดรกอร์ดอนคงจะรู้ชะตาชีวิตของตนแล้ว ในวันที่ข้าพเจ้าพบเขาที่ที่ทำงานในวันนั้นเขาเป็นแพทย์รักษาโรคภายในดังนั้นก็คงจะทราบอาการของตอนเองเหมือนกันและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้รีพุนพลันเดินทางไปยุโรปจนได้เขาได้บอกข้าพเจ้าว่าจะไม่ยอมพลาดโอกาสและเขาก็ไม่ได้พลาดโอกาสนั้นจริงๆเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นการจาเป็น ที่จะต้องหาทางสนทนากับด็เตอรกอร์ดอนให้ได้โดยด่วนนับตั้งแต่ได้รู้จักกันมาข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ปริปากให้เขารู้ถึงเรื่องราวส่วนตัวอันพิสดารของข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้าเกรงว่าเขาคงจะต้องรอย่อข้าพเจ้ายกใหญ่และดีไม่ดีอาจส่งข้าพเจ้าไปหาลูกชายซึ่งเป็นจิตแพทย์เสียอีกด้วยแต่บัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงแห่งชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่อาจให้ความช่วยเหลือได้บ้างตามสมควรอันที่จริงข้าพเจ้าเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยเขาได้โดยวิธีใดเป็นแต่นึกว่าคงจะพอหาวิธีช่วยได้บ้างเท่านั้นข้าพเจ้าพยายามเข้าเยี่ยมด็กเอร์กอร์ดอนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะแพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เฉพาะภรรยาเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ขอร้องภรรยาของเขาเพื่อขอเข้าเยี่ยมบ้างแต่ก็ได้รับคำตอบว่าด็อร์กอดอนถูกความเจ็บปวดของโรคร้ายทรมานอยู่ตลอดเวลาแพทย์จำเป็นต้องให้ยาระ ง, งับประสาทไว้เรื่อยๆดังนั้นจึงหาเวลาที่เขาจะมีสติหรือรู้สึกตัวได้ยากเต็มทีจะมีบ้างก็ในตอนเช้าซึ่งบางทีเขาก็จาเธอได้บ้างแต่ก็ไม่แน่เสมอไปข้าพเจ้าได้บอกเธอว่า ข้าพเจ้ามีข่าวสำคัญอย่างยิ่งจะบอกแก่เขาแต่ไม่ได้อธิบายให้เธอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรดูเหมือนว่ามิสซิดกอร์ดอนพอจะสันนิษฐานได้เหมือนกันว่าข้าพเจ้าจะบอกกับสามีของเธอเรื่องอะไรเธอจึงแนะวิธีให้แก่ข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้าลองเขียนเป็นจดหมายดูและเธอจะนำไปให้กับเขาเองข้าพเจ้าตอบว่าน่ากลัวดกอรกอร์ดอนจะไม่สามารถอ่านจดหมายด้วยตนเองได้ เธอจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะอ่านให้เขาฟังเองในเมื่อถึงเวลาที่เขาพอจะมีสติรู้สึกตัวขึ้นได้บ้างเป็นอันว่าข้าพเจ้าต้องใช้วิธีนี้เพราะไม่มีทางเลือกจริงๆมิสซิสกอร์ดอนได้อ่านจดหมายของข้าพเจ้าให้สามีของเธอฟังครั้งแล้วครั้งเล่าในเมื่อเขาฟื้นขึ้นและพอมีสติจะฟังอะไรได้รู้เรื่องบ้างต่อมาเธอได้บอกกับข้าพเจ้าว่า ดรกอร์ดอนได้บอกกับเธอเองขอให้เธออ่านจดหมายของข้าพเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเป็นที่น่าคิดว่าคงจะมีข้อความตอนใดตอนหนึ่งในจดหมายนั้นเป็นแน่ที่ด็ตรกอร์ดอนต้องการจะจำไว้หรือพิจารณาข้อคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่เป็นคำกล่าวของมิสซิสกอร์ดอนพอได้ยินเช่นนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจทันทีคือเสียใจว่า หากข้าพเจ้าบอกเรื่องส่วนตัวอันประหลาดพิสดารของข้าพเจ้าให้เขาฟังเสียแต่แรกๆแล้วบางทีเขาอาจจะไม่หัวเราะยกข้าพเจ้าก็ได้และบางทีเราอาจได้แลกเปลี่ยนความคิดกันถ้าไม่ได้ข้อคิดที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็ได้ต่อไปนี้เป็นข้อความบางตอนในจดหมายของข้าพเจ้าถึงด็อร์กอร์ดอนก่อนที่เขาจะถึงแก่กรรม คุณคงจะจาได้ถึงการทดสอบที่คุณได้แนะนำให้กับผมในเมื่อคุณรู้ว่าผมกำลังมีความวิตกกังวลในเรื่องบางอย่างตอนนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้บับนี้ไหนไหนคุณก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลชั่วระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะลองพิสูจน์หาความจริงบางอย่างดูด้วยตนเองอันที่จริงที่ผมพูดนี้คุณยังไม่ต้องเชื่อเลยทีเดียวก็ได้ต่อไปเมื่อเวลาคุณขอ ย, ยังชั่วแล้ว คุณอาจทดลองดูอีกก็ได้เบื้องต้นทีเดียวคุณควรจะต้องรับรู้ความจริงที่น่าจะเป็นไปได้ไว้อย่างหนึ่งแม้ว่าในตอนนี้คุณยังคิดตามไปไม่ถึงทีเดียวก็ตามความจริงดังกล่าวนี้คือความจริงที่ว่าคุณสามารถคิดหรือทำอะไรอะไรหรือแม้แต่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องอาศัยร่างกายเนื้อของคุณในปัจจุบันนี้เลยข้อสาคัญก็คือ เมื่อผมบอกคุณเรื่องนี้แล้วหวังว่าคุณคงจะไม่แนะนำให้ผมไปหาลูกชายของคุณซึ่งเป็นจิตแพทย์สหรอกนะปัญหาเรื่องเช่นนี้คนขนาดซิกมันฟรอยด์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางจิตวิทยายังไม่เข้าใจได้ท่องแท้หรอกนอกจากนั้นซิกมันฟรอยด์เองก็ยังทำอะไรโดยคิดถึงเงินเป็นใหญ่อยู่เขาจะมาเข้าใจในเรื่องซึ่งพนวิสัยของอนานาจเงินเช่นนี้อย่างไรได้ คุณอาจจะนึกว่าตั้งแต่เราได้รู้จักกันมาผมยังไม่เคยปริปากพูดเรื่องนี้กับคุณเลยซึ่งข้อนั้นก็เป็นความจริงแต่เนื่องจากบัด น, นี้คุณจะลุกไปไหนมาไหนไม่ได้อีกเป็นเวลานานพอสมควรผมจึงใคร่ขอให้คุณคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังรอเป็นเวลาอันสมควรแล้วต่อไปเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณได้เป็นอย่างมากและผมก็หวังว่าคุณอาจจะได้พบข้อเท็จจริงบางอย่าง ที่ผมยังไม่ได้พบก็เป็นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าคุณจะฝึกให้มีความสามารถถอนตัวออกไปจากกายเนื้อนี้ได้มากน้อยเพียงใดในขณะที่จำต้องให้กายเนื้อนี้นอนพักอยู่ในโรงพยาบาลเช่นนี้ถ้าคุณสามารถทำได้จริงมันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเองได้มากอย่างน้อยมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ขอให้คุณลองดูด้วยตนเองและจะได้รู้ผล ที่ผมพูดมาทั้งหมดขอรับรองว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ได้ล้อหรือล่อล่อคุณเลยดังนั้นขอให้คุณคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าคุณทำได้คุณจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการที่จะเห็นประจักษ์ด้วยตาตนเองโดยไม่ต้องนึกเดาหรือเชื่อผู้อื่นว่ากายที่สองของคนเรามีอยู่จริงและสามารถมีอยู่ได้หลังจากความตายจริง ในการทำเช่นนี้อาจมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งคือความกลัวซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะให้เกิดมีขึ้นเพราะมันจะเป็นเสมือนกลัวเงาของคุณเองฉะนั้นอันที่จริงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่ของแปลกประหลาดอะไรเลยจงหัดนึกให้เคยชินว่าการที่คุณยังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยตนเองนั้นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด สิ่งที่เรายังไม่รู้ทั้งหลายนั้นมันปรากฏเป็นของน่ากลัวไปได้ก็เพราะเรายังไม่รู้มันนั่นเองถ้ารู้เสียแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวขอให้คุณจงลองพยายามโดยใช้สูตรซึ่งผมจะให้ไว้ต่อไปนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายาที่แพทย์ให้คุณไว้นั้นจะมีส่วนช่วยหรือขัดขวางแบบฝึกหัดที่ผมจะบอกคุณดังต่อไปนี้อย่างไรก็ตาม อยากให้คุณลองดูก่อนในครั้งแรกๆมันอาจจะยังไม่ให้ผลในทั น, ดทนใดก็ได้และที่สำคัญก็คือถ้าคุณลองแล้วได้ผลอย่างไรก็โปรดให้ผมได้ทราบบ้างเมื่อคุณค่อยยังชั่วขึ้นแล้วผมจะแวะมาเยี่ยมคุณแล้วเราจะได้สนทนากันโดยละเอียดอันที่จริงผมอยากจะมาหาคุณด้วยตนเองเป็นอย่างยิ่งแต่โรงพยาบาลก็มีกฎข้อห้ามหยุมหยิมเหลือเกิน ผมจึงมาด้วยตนเองไม่ได้และได้มอบหมายภรรยาคุณทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้คุณไปพางพงก่อนถึงอย่างไรอย่างไรต่อไปผมก็จะพยายามมาพบคุณด้วยตนเองให้ได้อย่าลืมแจ้งผลนี้ผมทราบด้วยนะน่าเสียดาที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ทราบเลยว่าด็ตอร์กอดอนได้ลองทำตามแบบฝึกหัดที่ข้าพเจ้าเนียให้ไปหรือเปล่า เพราะข้าพเจ้ารู้สึกเกรงใจไม่กล้ารบกวนถามอะไรเธอมากนักในเมื่อได้ทราบอยู่ว่าเธอได้รู้แล้วว่าอาการป่วยของดรกอร์ดอนครั้งนี้ไม่มีหวังรอดอีกแล้วนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีความคิดเห็นต่อจุดหมายของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรดีไม่ดีเธออาจจะคิดว่าเป็นจุดหมายแช่งหรือเร่งให้สามีของเธอตายเร็วเข้าก็ได้อาการของดรกอร์ดอน เขาขั้นโคมา่าต่อมาอีกหลายสัปดาห์แล้วเขาก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบโดยไม่ได้มีโอกาสกลับได้สติขึ้นมาอีกเลยหลังจากที่เขาถึงแก่กรรมแล้วข้าพเจ้าได้คิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆเป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็ยังไม่กล้าที่ทดลองการไปหาเขาเร็วนักเขาเป็นบุคคลคนแรกที่อยู่ใกล้กับข้าพเจ้าที่ได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์และความสามารถประหลาดนี้แล้ว เรื่องนี้จึงทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจมากเป็นพิเศษมันเป็นโอกาสครั้งแรกของข้าพเจ้าจริงๆที่จะได้ทดลองวิชาของตอนเองดูสักทีข้าพเจ้าคิดว่าสมมุติว่าด็อร์กอดอนยังไม่ตายคือยังมีชีวิตอยู่ในภูมิอื่นจริงๆเขาก็คงจะไม่รังเกียจเป็นแน่ถ้าข้าพเจ้าจะสามารถไปเยี่ยมเขาได้สักวันหนึ่งการที่ต้องรอนานสักหน่อยนั้นก็เพราะข้าพเจ้าคิดว่า เขาคงจะต้องใช้เวลาพักผ่อนนานพอสมควรและนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็ต้องใช้เวลารวบรวมความกล้าของตนเองอีกเหมือนกันการไปหาด็อกเตอร์กอร์ดอนครั้งนี้จะเป็นการทดสอบในแบบนี้เป็นครั้งแรกเพราะเท่าที่แล้วมาข้าพเจ้ายังไม่ได้เคยกระทําเช่นนี้มาก่อนเลยอดคิดไม่ได้ว่าน่าจะต้องเสี่ยงอันตรายอยู่ไม่น้อยครั้นแล้วบ่ายวันเสาร์วันหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจลองดูต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงเกิดความสันสะเทือนภายในขึ้นได้ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็หมุนตัวออกจากกายเนื้อพร้อมกับท่องอยู่ในใจว่าต้องการพบดรกอร์ดอนต่อมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวว่าได้เคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วมีลมพัดผ่านร่างไปอย่างเบาๆแต่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวจนคล้ายๆกับสตาลาย แลวพร้อมกันนั้นก็รู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งมาช่วยพยุงข้าพเจ้าไว้ที่ใต้ขอศอกข้างซ้ายแน่แล้วคงต้องมีใครคนหนึ่งมาช่วยพาข้าพเจ้าไปหาเขาจริงๆเวลาผ่านไปชนิดที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่านานแสนานานข้าพเจ้าก็หยุดกึกลงหรืออันที่จริงจะพูดว่าถูกบังคับให้หยุดก็คงจะได้เมื่อลืมตาขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นว่า ตนมายือนอยู่ในห้องใหญ่แห่งหนึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่หายงงดีข้าพเจ้าเกิดรู้สึกขึ้นมาเองว่าสถานที่นี้คงจะเป็นสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้มือที่พยุมข้าพเจ้าไว้ใต้คอสอกนั้นก็ดุลข้าพเจ้าให้ไปใกล้ประตูที่เปิดอยู่ประตูหนึ่งแล้วพอถึงประตูก็กระตุกให้ข้าพเจ้าหยุดที่ตรงนี้เอง ข้าพเจ้าสามารถจะมองเข้าไปเห็นความเป็นไปของห้องที่อยู่ถัดไปได้พร้อมกันนี้ก็มีเสียงผู้ชายพูดอยู่ที่ข้างหูด้านซ้ายของข้าพเจ้า ว, ว่ายืนอยู่ที่นี่ก่อนอีกประมาณสักหนึ่งนาทีดรกอร์ดอนจะออกมาให้เห็นข้าพเจ้าก้มศีรษะรับคำและยืนคอยอยู่ที่นั่นในห้องนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณสามหรือสี่คนในกลุ่มนั้นกาลังฟังชายหนุ่มคนหนึ่ง ทำท่าทางเล่าอะไรให้ฟังอยู่อย่างตื่นเต้นชายคนนี้อายุประมาณ22ปีแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เห็นดรกอร์ดอนจึงยืนคอยต่อไปคิดว่าเขาคงจะมาปรากฏตัวในไม่ชานี้ยิ่งยืนคอยก็ยิ่งรู้สึกร้อนอกอ้าวมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกร้อนถึงขนาดนั้น แต่ก็คิดว่ากำลังจะทนไม่ไหวแน่เพราะรู้สึกคล้ายกับว่ามีเหงื่อไหลออกมาเต็มหน้าในตอนนั้นคิดอยู่ว่าถ้าด็ตอร์กอร์ดอนไม่ออกมาให้เห็นก็เป็นอันว่าเราจะไม่ได้พบกันเสียแล้วข้าพเจ้าหันไปทางคนกลุ่มนั้นคิดว่าจะลองถามเขาดูสักทีเรื่องด็ตอร์กอร์ดอนทันใดนั้นเองชายคนรูปร่างเตี้ยบาง มีผมเป็นปอยใหญ่ที่หน้าก็หยุดพูดทันทีและหันมามองข้าพเจ้าขมิงอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเขาก็หันกลับไปพูดเรื่องเดิมของเขากับชายอื่นๆต่อไปความร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกทีและข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงคิดว่าจะต้องกลับเข้าร่างและได้ถอยออกมาจากห้องนั้นขากลับก็รู้สึกว่ากินเวลานานโข อ, อยู่เมื่อกลับมาเข้าร่างเดิมแล้ว ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าหนาวและมีอาการชาเล็กน้อยแต่ไม่ปรากฏว่ามีเงื่อไหลออกมาตามใบหน้าเลยด้วยความรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งและเขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้คงจะต้องมีเหตุแปลกประหลาดบางอย่างเสียแล้วที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องผิดหวังอย่างไม่น่าเป็นไปได้ในครั้งนี้เวลาที่ออกจากกายเนื้อไปในครั้งนี้นานถึงสองชั่วโมง แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะอันที่จริงข้าพเจ้าก็มักจะมีนิสัยดื้อเช่นนี้อยู่ในสันดานด้วยดังนั้นในวันเสาร์ต่อมาข้าพเจ้าก็พยายามอีกครั้งหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าออกจากร่างกายเนื้อแล้วเริ่มท่องในใจว่าต้องการพบดรกอร์ดอนก็ได้ยินเสียงพูดข้างหูเป็นเสียงแสดงถึงความรำคาญบอกว่าจะต้องการพบเขาอีกทาไมในเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ก็ได้พบเขาครั้งหนึ่งแล้วข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจจนสะดุ้งและกลับมาเข้าร่างตามเดิมต่อจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ในห้องเลยทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมน่าแปลกมากแต่ข้าพเจ้าก็ยังขืนคิดว่าจะต้องพยายามอีกในวันต่อไปข้าพเจ้านึกย้อนหลังกลับไปถึงคำพูดที่ว่า ได้พบดกเอร์กอรดอนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าไม่ได้พบเขาเลยอย่างแน่นอนบวนึกถึงคำกล่าวที่ว่าจะพบเขาได้ในหนึ่งนาทีซึ่งต่อมาอีกหนึ่งนาทีก็มีชายร่างเตี้ยบางมีปลอยผมปลอยใหญ่ที่หน้าได้หันมาจ้องมองข้าพเจ้าเขมงเขาไม่ได้พูดอะไรกับข้าพเจ้าเลยท่าทางเหมือนกาลังใช้ความคิดอยู่ ที่จริงเขาก็เป็นคนร่างเตี้ยบางเหมือนกับด็กเอรกอร์ดอนนั่นเองเป็นแต่ว่าอายุไม่ใช่เจเพราะชายคนนั้นประมาณว่าอายุ22ปีเท่านั้นแต่รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ข้าพเจ้าได้พบดรกอร์ดอนแล้วจริงๆเป็นแต่ว่าได้พบเขาในวัยซึ่งข้าพเจ้าคิดไม่ถึงในตอนนั้นเพราะรูปร่างของเขาไม่เหมือนกับด็ตรกอร์ดอนในวัยเจที่ข้าพเจ้ารู้จักเลย อันที่จริงถ้าภาพที่ข้าพเจ้าเห็นเป็นภาพลวงตาคือคิดไปเองแล้วภาพนั้นก็น่าจะต้องเป็นด็เตอร์กอร์ดอนในวัยที่ข้าพเจ้าเคยเห็นแล้วรู้จักมาก่อนแล้วนั่นเองเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ให้จำชัดยิ่งขึ้นในวันต่อมาข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมภรรยาของด็อกเอรกอร์ดอนที่บ้านและได้ขอดูภาพของเขาเมื่ออายุอยู่ในวัยยีข้าพเจ้าไม่ได้บอกเธอถึงสาเหตุที่ต้องการดูภาพนั้น เมื่อเธอได้นําภาพที่ข้าพเจ้าต้องการมาให้ดูแล้วความคาดคิดของข้าพเจ้าก็เป็นอันถูกต้องราะภาพของดรกอร์ดอนในวัยหนุ่มเหมือนชายคนที่ข้าพเจ้าเห็นในระหว่างการถอดการเนื้อออกไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอย่างแน่นอนมิสซิสกอร์ดอนได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในไวัยหนุ่มนั้นดรกอร์ดอนเป็นคนเอาการเอางานและเข้มแข็งว่องไวมากทําอะไรมากรวดเร็วรีบร้อนเสมอ และมีปล่อยผมสีทองปล่อยใหญ่ที่หน้าด้วยเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้เห็นด็อเตอร์กอร์ดอนแล้วจริงๆเมื่อไรหนอจึงจะมีโอกาสเห็นเขาอีกมาเหตุผู้อ่านซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายไว้ในหนังสือชุดโลกทิพย์นะครับว่าในสวรรค์นั้น คนที่จิตปราณีมีคุณธรรมจะปรากฏ ร, รูปร่างอยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจมีทั้งปรากฏเป็นหนุ่มสาวเลยหรือค่อยๆเปลี่ยนจากภาวะตอนแก่ค่อยๆหนุ่มขึ้นหรือจากวัยเด็กเล็กค่อยๆโตขึ้นและจะคงที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นหลักซึ่งเป็นภาวะจิตของผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตปราณีเท่านั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการกลับมายัางโลกมนุษย์เพื่อเยี่ยมญาติหรือติดต่ อ, อ ก, กันในโลกมนุษย์ก็ตาม ก็อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นสภาพก่อนตายเพื่อให้จำกันได้เท่านั้นแต่สภาพร่างกายจริงในสวรรค์นั้นจะคงสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกว่าจะถึงเวลาจุติจากพบนั้นดูละละเอียดได้จากโลกทิพย์ภาคหนึ่งและภาคสามซึ่งชุมรงผลดีจัดทำเป็นเสียงอ่านเว้แล้วนะครับ อย่างที่สองมีสิเอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเราตกลงใจว่าจะย้ายบ้านพอดีมีผู้มาซื้อเราจึงได้ขายบ้านเก่าของเราแต่เนื่องจากการหาบ้านใหม่ไม่ทันเราจึงได้ไปเช่าบ้านเขาอยู่ชั่วคราวก่อนสถานที่ใหม่นี้เป็นที่ที่น่าสนใจมากเพราเป็นบ้านปลูกอยู่บนยอดเนินหินเล็กๆริมแม่น้าเราได้เช่าบ้านหลังนี้ โดยผ่านทางสำนักงานตัวแทนและไม่ได้พบกับเจ้าของบ้านหลังเก่าเลยข้าพเจ้ากับภรรยาเลือกเอาห้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นห้องนอนหลังจากที่เราย้ายมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์คืนหนึ่งเราได้เข้านอนและภรรยาของข้าพเจ้าหลับไปแล้วแต่ข้าพเจ้ายัางนอนลืมตาอยู่ในห้องซึ่งมืดสลัวสลวมองฝาหน้าต่างซึ่งสูงจากพื้นถึงเพดานออกไปข้างนอกและแลราก็เกิดความสั่นสะเทือนภายในขึ้นโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจ จึงทำให้นึกสงสัยว่าข้าพเจ้าควรจะได้มีประสบการณ์เช่นนี้ไหมในสถานที่ที่เราเพิ่งมาอยู่เช่นนี้ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในระหว่างการถอดกายเนื้อเกือบจะเต็มที่อยู่แล้วก็พอดีเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นที่ประตูทางเข้าห้องสิ่งนั้นมีรูปร่างและขนาดเท่ากับร่างของคนนั่นเองตามปกติข้าพเจ้ามีนิสัยค่อนข้างจะระแวงคนแปลกหน้าดังนี้คราวนี้ จึงตกลงใจว่าจะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นร่างขาวโพโลนนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาในห้องวนไปรอบๆบเตียงนอนผ่านด้านที่ข้าพเจ้านอนอยู่ห่างไม่เกินหนึ่งฟุตในขณะที่ผ่านเลยไปทางด้านห้องน้ำซึ่งมีประตูจากห้องข้าพเจ้าเปิดออกไปได้ตอนนี้เองข้าพเจ้ามีโอกาสสังเกตได้ว่าเป็นร่างของหญิงสันทัดคนหนึ่งผมยาวตรงดวงตาลึกอายุอยู่ในราวกลางคน ร่างนั้นเข้าไปอยู่ในห้องน้ําประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วเดินรอบเตียงนอนอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นนั่งติดคงจะนั่งด้วยกายที่สองที่ถอดออกมาแล้วนั่นเองและเอื้อมมือไปแตะตัวเธอเพื่อจะทดลองดูว่าจะสัมผัสถูกต้องได้หรือไม่ร่างนั้นคงจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าจึงหยุดและหันมามองข้าพเจ้าแล้วก็พูดขึ้นในระหว่างที่เธอพูดนั้น ข้าพเจ้าสามารถได้ยินถนัดและนอกจากนั้นยังสามารถเห็นหน้าต่างและพะมานหน้าต่างที่อยู่เบื้องหลังเธอได้ตลอดโดยเห็นผ่านทะลุตัวเธอไปนั่นเองเธอถามว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรกับภาพเขียนเหล่านั้นในขณะพูดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นริมฝีปากเคลื่อนไหวได้ถนัดในการตอบข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดีในตอนนั้น จึงได้ให้คําตอบให้เธอมีความหวังเป็นอย่างดีโดยตอบว่าข้าพเจ้าจะดูแลรักษาไว้เองขอให้เธออย่าเป็นห่วงเลยเธอยิ้มไม่ได้ยินคําตอบของข้าพเจ้าครั้นแล้วเธอได้ยื่นมือออกมาทั้งสองข้างพร้อมกับจับมือของข้าพเจ้าไปบีบไว้ในระหว่างมือทั้งสองของเธอเป็นการแสดงความขอบคุณและดีใจรู้สึกว่ามือนั้นเป็นมือจริงๆมีความอบอุ่นเหมือนเป็นมือคนปกติ แล้วก็เป็นมือที่มีชีวิตจริงๆเธอบีบมือของข้าพเจ้าเล็กน้อยแล้วปล่อยออกต่อจากนั้นก็เคลื่อนกายไปรอบเตียงและออกจากประตูไปข้าพเจ้าคอยอยู่ต่อมาอีกพักหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นเธอกลับมาอีกจึงนอนลงกลับเข้ากายเนื้อตามเดิมแล้วลุกออกจากเตียงออกจากห้องไปดูตามที่ต่างๆจนทั่วแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแปลกปลอมเข้ามาเลย ถึงได้กลับมาเขียนบันทึกเรื่องนี้และเข้านอนใหม่และหลับไปต่อมาอีกสองสวันข้าพเจ้าได้พบจิตแพทย์คนที่อาศัยอยู่ข้างๆบ้านใหม่ชื่อด็อร์แซวมวนคาร์นแปลกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้ามักจะบังเอิญพบจิตแพทย์ซิ่วเล่ยจึงได้ถามเขาว่าเขารู้จักเจ้าของบ้านที่ข้าพเจ้าเช่าอยู่ไหมเขาตอบว่ารู้จักดีเลยทีเดียวแล้วบอกว่า คุณนายด็บเป็อยู่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อประมาณหนึ่งปีมาแล้วหลังจากนั้นสามีของเธอก็ไม่ยอมเข้าไปอยู่ในบ้านอีกเขาย้ายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าน่าเสียดายมากเพราะบ้านหลังนั้นน่าอยู่จริงๆดรคาร์นกล่าวว่าแต่มันก็เป็นบ้านของเธอผู้เป็นภรรยาน่ะเธอถึงแก่กรรมในห้องที่คุณนอนอยู่นั่นแหละข้าพเจ้ากล่าวว่า น่าสนใจมากและแสดงว่าเธอคงจะชอบบ้านหลังนั้นมากทีเดียวดรคารตอบว่าก็ชอบมากทีเดียวและโดยเฉพาะเธอชอบภาพเขียนมากเธอเอาภาพเขียนเหล่านั้นแขวนไว้ทั่วไปในบ้านนั้นกล่าวด้วยว่าบ้านหลังนั้นคือชีวิตของเธอทีเดียวข้าพเจ้าถามว่าข้ามีรูปถ่ายของคุณนายเจ้าของบ้านหลังนั้นไหมเขาขอคิดดูก่อนและนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบว่า เขามีรูปหมู่อยู่รูปหนึ่งเธอถ่ายร่วมกันกับอีกหลายคนและเขาจะลองหาดูด็ อ, อร์คานกลับมาพร้อมด้วยรูปถ่ยหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งในรูปถ่ายมีภาพทั้งชายและหญิงรวมกันประมาณห้สบหรือหกสิบคนส่วนมากก็มองเห็นแต่ศรีรษะอยู่เรียงกันเป็นแถวแถวเขาจ้องมองรูปอยู่พักหนึ่งพร้อมกับกล่าวว่าเธอคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในภาพนี้เองเข้าพเจ้าได้งงงวกปมอดูบ้า หลังจากค้นหาอยู่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็ชี้ไปที่รูปหนึ่งซึ่งอยู่ในแถวที่สองและถามเขาว่ารูปนั้นใช่ไหมดก็กรคารตอบว่าใช่พร้อมกับจ้องมองข้าพเจ้าด้วยความสงสัยและกล่าวว่าข้าพเจ้าคงเคยเห็นรูปของเธอีนบ้านหลังนั้นมาแล้วเป็นแน่ข้าพเจ้ารับคำแล้วเลยถามต่ อ, อยังทำเป็นไม่สนใจนักว่าคุณนายเดอเป็ยูมีลักษณะหรือนิสัยอะไรเป็นพิเศษผิดกับคนอื่นอยู่บ้างไหม เขาตอบว่าเท่าที่นึกได้ในเวลานี้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรพิเศษแต่จะต้องลองนึกๆดูก่อนข้าพเจ้าจึงขอบคุณเขาและบอกว่าจะต้องขอลากลับก่อนและพอหันหลังกลับจะเดินออกจากบ้านก็พอดีเขาเรียกให้ข้าพเจ้าหยุดก่อนเขากล่าวว่าเขานึกออกแล้วและบอกว่าเวลาที่เธอรู้สึกขอบคุณใครเธอมักจะจับมือของคนนั้นไปไว้ในมือทั้งสองของเธอและบีบเบาเ และถามกลับว่าเรื่องนี้พอจะเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าบ้างไหมดรคาร์นคงนึกไม่ถึงเลยว่าคำตอบของเขาตอนนี้มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอย่างมากมายเพียงใดตัวอย่างที่สมแอกนิวบานสัน ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิทอยู่อีกคนหนึ่งชื่อแอนิวบานสันเป็นคนอายุรุ่นเดียวกันกับข้าพเจ้าและเราทั้งสองมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างข้าพเจ้ารู้จักเขามาเป็นเวลา8ปปีเขาเป็นนักบินและได้เดินทางด้วยเครื่องบินของบริษัทที่เขาทำงานอยู่บ่อยครั้งเขาเป็นคนสนใจค้นคว้าเรื่องแรงต้านทานความโน้มถ่วงเป็นพิเศษและเราได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายครั้งเขามีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเขาเอง ซึ่งเขาใช้เป็นที่ค้นคว้าในเรื่องนี้โดยเฉพาะในบรรดาเรื่องที่เราได้อภิปรายกันนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าในยุคที่เรื่องอุปกรณ์ต่างๆมีราคาแพงมากเช่นนี้ทำอย่างไรเราจึงจะมีวิธีทําการทดลองและสาธิตเรื่องแรงต้านทานความน้มถ่วงนี้ได้อย่างชัดเจนในปีคริสตศักราช1964ข้าพเจ้ามีกิจธุระต้องเดินทางไป น, นครนิวยอร์ก และได้พักอยู่ในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีเวลาว่างเหลืออยู่ในตอนบ่ายชั่วโมงหนึ่งข้าพเจ้าจึงตกลงใจว่าจะพักเอาแรงสักนีบหนึ่งตอนที่กําลังจะม้อยหลับนั่นเองก็ได้ยินเสียงของบานสันพูดขึ้นว่ามีโนทางที่จะพิสูจน์เรื่องแรงต้านทานความน้มถ่วงได้จริงๆคุณจงลองสาธิตดูด้วยตนเองเพราะถึงอย่างไรก็ได้รับการฝึกฝนในทางนี้มาแล้ว ข้าพเจ้าผลลุกขึ้นนั่งทันทีความง่วงงุนหายไปดังเปิตทิ้งข้าพเจ้ารู้ดีว่าเสียงนั้นหมายถึงอะไรเป็นแต่ว่าข้าพเจ้ายังไม่มีความกล้าพอที่จะทดลองให้เห็นจริงเท่านั้นแต่มีปัญหาว่าเหตุใดเสียงของบานสรนในความฝันครั้งนี้จึงดูชัดเจนเหลือเกินข้าพเจ้ามองดูนาฬิกาก็เห็นว่าเป็นเวลาสามโมงบห้นาที ตอนนี้ความง่วงนอนหายไปหมดแล้วข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นและออกไปข้างนอกเมื่อข้าพเจ้ากลับมาบ้านสองวันต่อมาก็รู้สึกว่าภรรยาของข้าพเจ้าเงียบขรึมไปมากข้าพเจ้าจึงถามเธอว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเธอตอบว่าเห็นข้าพเจ้ากำลังมีงานยุ่งที่นิวยอร์กก็เลยไม่อยากจะรบกวนให้ยุ่งใจมากขึ้นอีกเธอตอบว่า ตอนนี้แอกนิวบานสันถึงแก่ความตายเสียแล้วเครื่องบินของเขาขัดข้องเขาพยายามนําลงในทุ่งนา น, นอกเมืองโอไฮโอแต่ไม่สําเร็จพอได้ยินเช่นนี้ข้าพเจ้าก็นึกถึงเสียงของบานสันที่พูดกรอกหูข้าพเจ้าตอนที่อยู่ในโรงแรมที่นิวยอร์กขึ้นมาได้จึงถามเธอว่าเขาถึงแก่ความตายเมื่อสองวันมาแล้วตอนบ่ายสามโมงสินาทีใช่ไหมเธอมองข้าพเจ้าอยู่เป็นครู่ใหญ่ จึงตอบรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เธอไม่ได้ถามข้าพเจ้าว่ารู้เช่นนั้นได้อย่างไรดูเถอจะรู้มานานแล้วว่าข้าพเจ้าคงจะรู้ได้เองเสมอในเรื่องเช่นนี้หลังจากนั้นข้าพเจ้าพยายามสงบใจอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนเพื่ออดใจไม่ให้คิดอยากจะไปเยี่ยมบานสันเหมือนดังที่เคยไปเยี่ยมคนอื่นๆมาแล้ว ข้าพเจ้าคิดเอาเองโดยไม่ต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงหรือยืนยันว่าในกรณีของความตายอย่างรุนแรงเช่นนี้เขาคงจะต้องใช้เวลาพักผ่อนนานพอดูข้าพเจ้าไม่อาจรับรองว่าความคิดเช่นนี้จะถูกต้องแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่พอนานเข้าข้าพเจ้าก็าชักจะอดใจไม่ไหวดังนั้นบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่ง ข้าพเจ้าก็เตรียมตัวไปเยี่ยมบานสันจนได้หลังจากเตรียมตัวอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าก็หลุดออกมาจากกายเนื้อได้ต่อจากนั้นก็รู้สึกว่าได้เดินทางอย่างรวดเร็วไปในความมืดพร้อมกับทองชื่อแอกนิวบานสันอยู่ในใจไปตลอดเวลาพักหนึ่งข้าพเจ้าก็หยุดหรือจะว่าถูกบังคับให้หยุดก็คงจะได้ ตอนนี้รู้สึกตัวว่าได้มาอยู่ในห้องที่ค่อนข้างมืดมีใครคนหนึ่งพยุงร่างกายของข้าพเจ้าไว้ให้อยู่ในท่ายืนหลังจากคออยู่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีปุยเมฆขาวกลุ่มหนึ่งปรากฏพุ่งขึ้นมาจากช่องแห่งหนึ่งที่พื้นที่อยู่ข้างหน้าเมฆกลุ่มนั้นเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างคนเข้าทุกทีและมีบางสิ่งบางอย่างบอกข้าพเจ้าให้ทราบว่าในเมฆกลุ่มนั้นคือบานสันนั่นเอง ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถมองเห็นร่างของเขาได้ถนัดถึงกับจะจำได้โดยไม่ผิดพลาดก็ตามมีเสียงของเขาพูดออกมาอย่างตื่นเต้นแต่ก็แสดงถึงความสุขหรือความยินดีว่านี่เนี่ยบ๊อบคุณคงจะไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหาหัศจั์เลอะเกินตั้งแต่ผมได้ผ่านเข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วเท่า น, นั้นเองสาหรับการไปเยี่ยมบานสรต่อจากนั้น ปุยเมย่กลุ่มนั้นก็เริ่มคืนตัวหายเข้าไปในช่องที่ปรากฏออกมามือของใครคนหนึ่งที่พยุงข้าพเจ้าไว้ที่ข้อศอกก็กระตุ้นให้ข้าพเจ้ากลับออกไปจากที่นั้นและในไม่ช้าข้าพเจ้าก็กลับมาเข้ากายเนื้อตามเดิมดูดูเรื่องทั้งสองคือบานสันกับดรกอร์ดอนนี้ก็ออกจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือคนทั้งสองคงจะมีเรื่องใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆในโลกใหม่มากเกินไปจนไม่มีเวลาพอที่จะมาสนใจในเรื่องเก่าของโลกเก่าๆนี้อีกต่อไปแล้วสมมุติว่าท่านผู้อ่านจะคิดว่ามันเป็นภาพมายาหรือภาพลวงตาที่ข้าพเจ้าคิดฝันไปเองเข้าพเจ้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ำแบบใครเลยทีเดียวข้าพเจ้าไม่เคยอ่านพบที่ไหนมาก่อนว่า จะมีใครได้พบภาพลวงตาเกี่ยวกับคนที่จากโลกนี้ไปแล้วเช่นนี้และสมมุติว่ามันเป็นภาพลวงตาจริงท่านจะเอาหลักนี้มาอธิบายเหตุการณ์ที่เสียงมากรอกหูข้าพเจ้าในโรงแรมที่นิวยอร์กได้อย่างไรเหตุใดจะมีความบังเอิญอย่างถูกต้องกับความเป็นจริงในภาพลวงตาเช่นนั้น ตัวอย่างที่สคุณพ่อของข้าพเจ้าในปีคริสตศักราช 1,964 บีิดาของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมโดยมีอายุได้82ดปีอันที่จริงเมื่อเล็กๆข้าพเจ้าไม่ค่อยถูกกับบิดาของข้าพเจ้านักเคยแข่งข้อเอาบ่อยๆแต่พอโตขึ้นกลับรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ท่านเป็นลมครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้และตั้งแต่นั้นก็ทำให้ท่านเป็นอัมพาตและพูดไม่ได้เลยการพูดไม่ได้นี้เป็นเรื่องที่ทรมานใจท่านมากโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่าท่านเป็นนักภาษาศาสตร์และตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศให้แก่การ ศ, าศาึกษาและการสอนเรื่องภาษ า, าต่างๆตลอดมาในระยะเวลานี้ทุกคราวที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยม ท่านจะแสดงอาการว่าได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพูดที่ข้าพเจ้าทราบถึงความในใจของท่านเป็นอาการที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นตันใจอย่างยิ่งด้วยความสงสารและเห็นใจในความทุกข์ของท่านแม้ปากของท่านจะเปล่งเสียงออกมาไม่ได้แต่ดวงตาของท่านก็จ้องมองข้าพเจ้าด้วยอาการอันขอร้องให้ข้าพเจ้าเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของท่าน เท่าที่ท่านจะทำได้ก็คือมีเสียงรางเบาๆออกมาจากลำคอเท่านั้นข้าพเจ้าก็พยายามพูดปลอบใจไปเท่าที่จะทำได้ส่วนท่านก็พยายามจะพูดตอบให้ได้ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะสามารถเข้าใจคมพูดของข้าพเจ้าได้หรือเปล่าท่านถึงแก่ความตายอย่างสงบในขณะ ก, กาลังหลับในตอนบ่ายวันหนึ่งอันที่จริง ท่านก็มีชีวิตที่ได้รับความสำเร็จในการงานอย่างน่าภูมิใจแล้วดังนั้นความตายของท่านจึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกหลายอย่างระคนกันคือใจหนึ่งก็เศร้าใจที่ท่านต้องจากไปแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นความโล่งใจที่ท่านได้พ้นความทุกข์ทรมานไปเสียได้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ความจริงอันมีค่าสำหรับชีวิตจากท่านหลายประการด้วยกัน จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องระลึกถึงท่านด้วยความกตัญญูตลอดไปสำหรับในความนี้เนื่องจากเป็นการจากไปของบุคคลผู้ใกล้ชิดที่สุดในครอบครัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงต้องใช้หลักความจริงที่เรียนรู้มาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและก็เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้ใช้ความเชื่อในหลักการที่ค้นพบมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดด้วย ข้าพเจ้าคอยหาโอกาสโดยสงบอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนสาเหตุทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการงานส่วนตัวด้วยเพราะในระหว่างนั้นบังเอิญมีเรื่องธุรกิจมากมายจนหาเวลาพักผ่อนเพื่อคลายอารมณ์อย่างแท้จริงไม่ได้เลยต่อมาคืนหนึ่งข้าพเจ้าตื่นขึ้นเมื่อเวลาสามนาฬิกาแลอรู้สึกว่าสมควรจะลองไปเยี่ยมท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าดําเนินตามกรรมวิธีที่เคยปฏิบัติและก็รู้สึกว่าความสันสะเทือนภายในเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วครูหนึ่งข้าพเจ้าก็ออกมาจากกายเนื้อได้อย่างง่ายดายและรู้สึกตัวว่าลอยขึ้นไปอย่างเป็นอิสระในความมืดคราวนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้การกําหนดจิตด้วยการท่องชื่อของท่านไว้เหมือนอย่างที่เคยทําในคราวก่อนๆแต่ใช้ความนึกถึงท่านโดยตรงเป็นเครื่องนําทาง รู้สึกว่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในความมืดรอบคังข้าพเจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยที่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวก็เพราะมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเป็นลมที่หนักหนืดหนืคล้ายกับมีสภาพเป็นของเหลวเช่นนั้นดังนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะคล้ายกับเป็นการลอยผ่านไปในน้ำหลังจากการดำดิ่งลงมาจากที่สูงเช่นนั้นทันใดก็รู้สึกตัวว่าหยุดกึกลง หลักอยู่อย่างหนึ่งที่คราวนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครมาช่วยทําให้หยุดหรือมีมือของใครมาช่วยพยุงข้าพเจ้าไว้ใต้คอสอกเหมือนครั้งก่อ น, อนข้าพเจ้ากวาดสายตาไปรอบๆก็พอจะมองเห็นว่าเป็นห้องใหญ่มีแสงสว่างสลัวๆดวงเหมือนข้าพเจ้าจะรู้ขึ้นเองโดยทางใดก็ไม่อาจทราบได้ว่าสถานที่นี้คือโรงพยาบาลหรือไม่ก็สถานพักฟื้นแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เท่าที่เห็นก็ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องมือทางแพทย์ที่เราใช้กันอยู่ในโลกมนุษย์ปรากฏอยู่เลยข้าพเจ้ามองดูรอบๆพร้อมกันนั้นก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีนอกจากจะคิดว่าไม่ช้าคงจะได้เห็นบิดาของข้าพเจ้าสักครั้งหนึ่งเป็นแน่ห้องที่ข้าพเจ้าเข้าไปยืนอยู่นั้นเป็นห้องใหญ่และมีประตูเปิดออกไปสู่ห้องอื่นได้อีกหลายประตูด้วยกัน ข้าพเจ้าจ้องมองไปที่ประตูสองแห่งซึ่งมีคนเข้าออกหลายคนแต่ไม่มีใครสนใจข้าพเจ้าเลยจนทำให้รู้สึกว่าน่ากลัวจะมาผิดที่เสียแล้วห้องที่สามเป็นห้องเล็กๆมีหน้าต่างเล็กๆอยู่สูงขนาดระดับไหลและอยู่ทางด้านตรงข้ามกับประตูมีชายคนหนึ่งยืนพิงกำแพงมองออกไปข้างนอกหน้าต่างอันหลังให้ข้าพเจ้าดังนั้น ในขณะที่ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปในห้องจึงยังไม่ได้เห็นหน้าของเขาครั้นแล้วเขาก็หันหลังกลับมาและเห็นข้าพเจ้าดวงหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจอย่างยิ่งเขาคือคุณพ่อของข้าพเจ้าที่ตายไปแล้วนั่นเองและท่านได้เอ่ยถามว่าข้าพเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านพูดด้วยความประหลาดใจคล้ายๆกับคนที่เดินทางไปขอนโลกแล้วมาพบคนที่อยู่ทางบ้านข้างหลังเข้า โดยไม่ได้นึกฝันฉะนั้นแต่ข้าพเจ้าพูดไม่ออกในตอนนั้นเพราะความรู้สึกตื่นเต้นมีมากเกินไปจึงได้แต่ยืนอยู่เฉยๆคุณพ่อของข้าพเจ้าตรงเข้ามาหาพร้อมกับกางแขนออกพอมาถึงตัวท่านก็จับข้าพเจ้าไว้ที่ใต้แขนทั้งสองข้างและยกตัวข้าพเจ้าสูงพร้อมกับหมุนตัวไปรอบๆในทานองเดียวกันกับที่ท่านเคยอุ้มข้าพเจ้า เมื่ อ, อยังเป็นเด็กๆอยู่นั่นเองหลังจากที่ท่านได้ปล่อยข้าพเจ้าลงแล้วข้าพเจ้าจึงได้ถามท่านว่าตอนนี้ท่านรู้สึกสบายดีแล้วหรือยังท่านตอบว่าสบายดีแล้วไม่มีความเจ็บปวดเหลืออยู่อีกแล้วแต่คําถามของข้าพเจ้าดูเหมือนว่าจะไปทําให้ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านควรจะลืมไปเสียจะดีกว่าคือความเจ็บปวดของร่างกายเนื้อเดิมดังนั้นพอผู้เสร็จ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าท่านมีอาการหมดเรี่ยวหมดแรงลงไปเป็นอย่างมากท่านหันหน้าไปทางอื่นและแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลืมไปเลยว่าข้าพเจ้าอยู่หน้าที่นั้นกับท่านด้วยดูท่านผอมลงไปและรูปร่างของท่านนั้นในขนาดนั้นก็คล้ายกับคนอายุอยู่ในราวห้าสิบซึ่งทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดเทียบกตามรูปถ่ายเก่าของท่านเป็นอันว่าการพบของเราจะต้องยุติลงเพียงแค่นี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขึ้นมาเช่นนั้นพร้อมกับค่อยๆถอยออกมาจากห้องและหันหลังกลับเดินทางมาเข้าร่างเดิมซึงในตอนขากลับนี้รู้สึกว่าเร็วกว่าขาไปมากมีปัญหาหน้าคิดอยู่อย่างหนึ่งคือคุณพ่อของข้าพเจ้าคงจะต้องได้รับความทรมานมากทั้งทางกายและใจ ราท่านไม่สามารถบอกให้ผู้อื่นเข้าใจและช่วยท่านบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้อย่างไรถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆร่างกายเนื้อนี้คงจะเป็นที่จําคังที่ทารุณมากทีเดียวและการพ้นไปจากมันเสียได้ด้วยความตายก็คงจะเป็นการพ้นทุกข์จะที่คุมขังไปได้เป็นอย่างดีจนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังคิดไม่ตกว่าควรจะไปเยี่ยมท่านอีกสักครั้งดีไหม มันอาจจะเป็นการดีก็ได้หรืออาจจะเป็นการไม่สมควรเพราะจะรื้อฟื้นสัญญาคือความจำในอดีตของท่านเขาอีกก็ได้ข้าพเจ้าตัดสินใจไม่ถูกจริงๆอันที่จริงยังมีประสบการณ์เรื่องอื่นอีกมากซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยตรงแต่ก็มีความประทับใจมากพอๆกันทั้งหมดนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเชื่อมั่นในหลักการที่กล่าวได้ว่า จะเป็นการปฏิวัติแนวความคิดและความเชื่อมั่นของคนสมัยปัจจุบันอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือคือชนิดที่คนสมัยปัจจุบันผู้เชื่อแต่ในเรื่องวัตถุอย่างเดียวจะตามกันไม่ทันเลยทีเดียวแต่หลักการใหม่ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้แหละจะทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงว่าความทุกข์และความสุขต่างๆของเราในโลกนี้ล้วนเป็นสภาพที่มีความสำคัญเพียงน้อยนิดเดียว ไม่ควรที่จะยึดถือเป็นแก่นสารเลยเพราะชีวิตของเราบนดาพระเคราะห์ดวงนี้ก็เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่หาค่าไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับระยะเวลาแห่งความเป็นอยู่อันไม่มีที่สิ้นสุดในภพภูมิอื่นแนวความคิดนี้เองจะทำให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ระหนักถึงความจริงซึ่งมีขอบเขตไพศาลเกินกว่าที่จิตสานึกของเขาจะคาดคะเนไปถึงได้ และมันจะเป็นความจริงที่ยั o ยุผู้ที่ช่างคิดให้ครุ่นคิดคำหนึ่งอยู่เรื่อยไปและก็จะทำให้ผู้ที่คิดว่าตนมีสติปัญญาในทางวัตถุอันสูงลึกซึ้งนั้นจะต้องพบข้อบกพร่องของตอนเองอยู่เรื่อยไปเหมือนกันถ้าท่านได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะตระหนักถึงความจริงที่ว่ามนุษย์เราสามารถจะมีชีวิตและสืบต่อนิสัยใจคอของเราได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกายเนื้อนี้เลยก็ได้จริงๆและถ้าความจริงที่กล่าวมานี้ทำให้ท่านรู้สึกมีความหวังใหม่ๆขึ้นมาบ้างเพราะไม่คิดว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยหรือเป็นทาสของกายเนื้อนี้อยู่ตลอดไปก็นับว่าความพยายามของข้าพเจ้าได้ให้ผลคุ้มค่าแล้ว